คนบ้าน้ำบ้าเทศนาในเช้าวันหนึ่งกับการแสดงธรรมแกข้าราชการหน่วยใหญ่ดังนี้เวลามีการมีงาน มันน่าอายขนาดไหนถ้าธรรมดาเราแล้วเอาแก้วเหล้าไปโชว์ให้ก็ถ่ายลงหนังสือพิมพ์ถือแก้วเหล้าโชว์ผู้ใหญ่ขนาดไหนถือแก้วเหล้ามาโชว์มันน้ําบ้ารู้ไหมเด็กเขายังรู้เขายังไม่เอาแก้วเหล้ามาโชว์ผู้ใหญ่ขนาดนั้นเอาแก้วเหล้ามาโชว์หาอะไรถ้าไม่ขายความเลวทรามของตัวที่สุดเลย นี่หรือจะปกครองบ้านเมืองคือแก้วเหล้านี่หรออยากถามว่างั้นนะเขาตหนิกันทั้งโลกทั้งสงสารว่าเป็นของไม่ดีทำไมจึงเอามาโชว์สุราคืออะไรสุราก็คือเครื่องดองของเมาและทำให้ผู้ดื่มลดคุณภาพแห่งความสมบูรณ์ มาเป็นคนพร่องคนไม่เต็มตาเต็ง ต, ต, ตาช่างคนขาดบาดขาดสลึงดื่มมากเท่าไรยิ่งขาดบาดลงเรื่อยเื่อจนกลายเป็นคนบอคนบ้าได้อย่างสดสด้อนเราเกิดมาพ่อแม่ไม่เคยเอาน้ำเมามาให้เราดื่มเรากินมาเลี้ยงดูเรามีแต่ของดิบของดี ข้าวต้มขนมอาหารหวานขาวมีแต่ของดีๆเราเติบโตขึ้นมาด้วยน้ำนมของแม่ด้วยข้าวต้มขนมเป็นของดิบของดีมีราคามากมายพ่อแม่นำมาเลี้ยงดูจนเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเมื่อเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาจากของดิบของดีมีค่ามากแล้วกลับเอาน้ำสุรายาเมา เข้ามาเบื่อตัวเองให้มึนเมานี่เป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่ามนุษย์ให้มีศักดิ์ศรีดีเด่นที่ตรงไหนยังมองไม่เห็นเราลองคิดดูสิสมมุติว่าเรานั่งอยู่ด้วยกันนี่มีกี่คนด้วยกันนี่ล้วนแต่คนเมาสุรา นอนไร่บ้ากเกลื่อนอยู่ตามถนนหุนทางไปที่ไหนมีแต่คนเมาสุราขี้แตกเยี่ยราชอยู่ตามถนนหุนทางไม่มีอย่างอายตามมัน ญ, ญาติของมนุษย์เลยดูได้ไหมพิจารณาสิถ้าหากว่าสุรามันดีจริงดังที่ชอบเสกสรรกันคนมีคุณสมบัติผู้ดีจะชมไหมว่า พวกขี้เมานอนเกลื่อนกลาดขี้ราดเต็มตัวเต็มถนนหนทางอยู่เขาดีนะขี้ไม่ต้องหาที่ทะลักออกเต็มผ้าก็ยังได้คนธรรมดาทําไม่ได้นี่เขาดีนะอย่างนี้มีไหมไปที่ไหนมีแต่คนเมาสุราเต็มถนนหนทางแล้วดูได้ไหมมีแต่คนบ้าเต็มถนนนี่ลักพระพุทธเจ้าจึงห้าม ห้ามไว้อย่างนี้เพราะไม่อยากให้คนเป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งแผ่นดินความละอายต่อบาปต่อกรรมต่อบุคคลต่อที่สูงที่ต่ำไม่มีไปที่ไหนพูดอะไรได้หมดไม่มีอย่างอายเพราะหมดอย่างอายพูดวันยังค่ำไม่มีจบก็คือคนเมาสุราพูดไม่มีจบวกวนไปมาอยู่นั่นแหละ จนผู้ฟังเบื่อจะตายเดี๋ยก็ลาละครับเดี๋ยวคุยอีกไม่จบสิน้นเดี๋ยวลาละครับได้เวลาแล้วลาละครับเดี๋ยวคุยอีกอย่างนั้นวันยังค่ำลาละครับลาละครับวันยังค่ำแต่ไม่ไปก็คือคนเมาสุราพูดไม่มีสถานีไม่มีจุดไม่มีหมายไม่มีสาระ ไม่สนใจว่าดีว่าชั่วถูกหรือผิดพร่มได้ตลอดไม่สนใจกลับไปล่ำเวลาเป็นยังไงนี่ก็คือความเมาสุราหาสติสตังไม่ได้คนโง่ที่สุดก็คือคนเมาสุราแต่คนที่อวดฉลาดที่สุดก็คือคนเมาสุรานั่นเองคนเมาก็คือคนบ้านั่นแหละน้ำนี้เขาเรียกน้ำบ้า ท่านเมตตาแสดงธรรมโปรดคณะนายํำรวจดังนี้เราเป็นตำรวจนี้ก็คือเป็นผู้ที่รักษาหน้าที่การงานอันสำคัญในส่วนรวมอำนาจอะไรก็มอบให้ํำรวจเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง เพื่อความสงบสุขร่มเย็นถ้าตำรวจไม่มีโจรมารผู้ร้ายเต็มไปหมดที่ไหนที่ไหนก็เป็นโจรได้เป็นผู้ร้ายได้ถ้าไม่มีสิ่งกลัวเสียอย่างเดียวคนเราจะทำชั่วได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อสิ่งที่บังคับบัญชาสิ่งที่น่ากลัวอยู่บ้าง ก็ต้องได้ระมัดระวังคนเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีตำรวจที่ดีรักษากฎหมายบ้านเมืองเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขมีมากมีน้อยในสถานที่ใดสถานที่นั้นบ้านเมืองนั้นย่อมได้รับความสงบร่มเย็นตำรวจก็เป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายของชาวบ้าน ในขณะเดียวกันเราอย่าให้ํำรวจเป็นผีเป็นยักษ์ของชาวบ้านรีดไถเขาก็แล้วกันเราต้องแยกออกเป็นประเภทประเภทเพราะเรื่องความจริงมีอยู่อย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติตัวเรานั่นแหละเป็นตัวอย่างอันดีแก่ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายก่อนหน้าเขา อย่าเอาใครมาเป็นตัวอย่างถ้าเอาหลักกฎหมายบ้านเมืองเข้ามาบวกในความเป็นตำรวจของเราแล้วดำเนินหน้าที่การงานเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อความซื่อสัตย์สุจริตความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองต่อประชาชนไปที่ไหนประชาชนเขาจะรักถ้าผิดเราก็จับจริงๆป ร, รับโทษสินไหมจริงๆ เพราะคนนี้ผิดเมื่อเราจับอย่างมีเหตุมีผลปรับหมายใส่โทษด้วยความมีเหตุมีผลนี้ชาวบ้านเขาก็เห็นใจเขาก็รักเขาก็ชอบเขาก็รู้ว่าเราทําถูกถ้าเราทําตรงกันข้ามไม่มีหลักมีเกณฑ์อาศัยแต่อำนาจของความเป็นตำรวจเอาอำนาจของกฎหมายบ้านเมือง แล้วทำสุ่มสีุ่่มห้าแอบหน้าแอบหลังอย่างนั้นเขาก็รู้เพราะเหตุไรเพราะบ้านเมืองนั้นคือใครก็คือคนคนมีหัวใจตารวจรู้คนเขาก็รู้จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงแนวของตำรวจเราผู้มีหน้าที่รักษาชาติบ้านเมืองตารวจไปที่ไหน บ้านเมืองเราจะมีความร่มเย็นคนรักไปไหนดีมีเสน่ห์ในตัวเด็กก็รักไม่ว่าแต่ผู้ใหญ่รักเด็กรักก็เย็นใจก็สบายเหมือนเรามีคุณค่าผู้ใหญ่รักก็เหมือนเรามีคุณค่าประชาชนรักยิ่งเป็นผู้มีคุณค่ามากเพราะฉะนั้นจงตั้งหน้าตั้งตาทาตัวของตัว ให้เป็นตัวอย่างของตัวเองให้มีความร่มเย็นให้มีความพึงใจในตัวของเราเองก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นที่พึงใจของประชาชนทั้งหลายให้พึงทำตัวเป็นหลักใจนั่นละทีนี้ไปที่ไหนประชาชนพลเมืองไม่ว่านักบวชหรือฆรวาสหญิงชาย รักหมด การสงเคราะห์ด้านโรงพยาบาลนี้หลวงตาท่านเอาใจใส่มาโดยตลอดและนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆท่านเคยกล่าวว่าสภาพของคนไข้ที่ต่างรอคอยความหวังจากหมอเป็นสภาพที่น่าสงสารมากคนไข้ก็คือคนจนตรอกจนมุม เมื่อวิ่งมาหาหมอหากหมอไม่มีเครื่องมือที่ดีที่ทันสมัยก็ก้าวไม่ออกรักษาให้ไม่ได้และสภาพคนชนบทเป็นคนยากจนเสียส่วนมากการบาบัด ร, รักษาถ้าพอเป็นไปได้ก็ควรให้รักษาใกล้บ้านจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองมาก ในการเดินทางตลอดสถานที่พักอาศัยการกินอยู่หลับนอนด้วยเหตุผลนี้เองทำให้จนถึงปัจจุบันท่านสงเคราะห์สถานพยาบาลต่างๆรวมทั้งสิ้นกว่าหนึ่งร้แห่งส่วนใหญ่เป็นการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์เช่นเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอุลตราซาวเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เตียงเครื่องช่วยชีวิตเด็กเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกเครื่องดูดของเหลวเครื่องช่วยคลอดกล้องจุลทรรศเตียงทาฝันพร้อมอุปกรณ์นอกจากนี้แล้วท่านยังบริจาคในด้านอื่นๆอีกมากมายเช่นรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์สร้างตึกผู้ป่วยสร้างตึกรวมเมตตามหาคุณ สร้างตึกสงอ า, าพาดห้องผ่าตัดตั้งเป็นกองทุนตึกอุบัติเหตุกองทุนศูนย์พิทักษ์ดวงตากองทุนสงเคราะห์คนพิการและผู้ยากจนไร้ที่พึ่งค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารคนไข้และเจ้าหน้าที่ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กกระทั่งซื้อที่ดินให้ รวมประเภทของรายการสต่างๆเท่าที่พอรวบรวมได้เกินกว่า500รายการรายการที่ซ้ำกันแม้จะมีจำนวนมากกว่าหนึ่งชิ้นขึ้นไปก็นับเป็นหนึ่งรายการ โรงพยาบาลในระยะหลายปีมานี้ท่านมักจะออกเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆอยู่เป็นประจำพร้อมนำเข้าสารอาหารสดอาหารแห้งผ้าขาวบรรทุกเต็มรถเท่าที่รถจะสามารถรับน้ำหนักได้ไหวเพื่อนำไปแจกโรงพยาบาลพร้อมกันนี้ท่านจะถือโอกาสตรวจ ด, ดูด้วยว่า ยังขาดตกบกพร่องในเครื่องไม้เครื่องมืออันใดบ้างการนาของไปแจกในที่ต่างๆนั้นท่านมีเหตุผลหลักเกณฑ์ดังนี้ไปไหนๆแต่ละโรงละโรงนี้มีแต่ล้านแต่ล้านขึ้นไปไปนี่ไม่ใช่ไปให้เครื่องมือแพทย์เท่านั้นนะยังไปดูหมออีกดูพยาบาลอีกกริยามารยาทของหมอเป็นยังไง เวลาเกี่ยวข้องกับคนไข้ดูอากับกริยาของเขาเป็นยังไงเป็นยังไงดูไปหมดไม่ใช่แต่ว่าใครจำเป็นอะไรอะไรแล้วเอามาให้เอามาให้อย่างนั้นไม่ได้เราไม่ทําอย่างนั้นให้ทั้งสิ่งของด้วยดูทั้งน้ำใจดูทั้งกริยามารยาทความประพฤติดีงามของหมอและพยาบาลด้วยเป็นยังไง จะพอพยุงเครื่องมือของเรานี้ไปได้ไหมเพื่อประโยชน์แก่คนไข้ได้จริงหรือไม่หรือเสียเงินเปล่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องดูอีกแล้วเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นยังไงหมอเหล่านี้เป็นหมอพ่อค้าพยาบาลพ่อค้าหรือเป็นหมอเป็นพยาบาลเพื่อรักษาคนไข้เพื่อเอาหัวใจคน เอาชีวิตใจิตใจคนจริงจังหรือเป็นยังไงบ้างดูไปหมดไปทุกแห่งทุกหนไปดูอย่างนั้นนะที่เราไปโน้นไปนี้วันนี้เปิดเสียให้ชัดเจนเราไม่เคยพูดแหละคําอย่างนี้ทั้งทั้งที่ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้แหละอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูสภาพของโรงพยาบาลดูสภาพของเครื่องมือ ถ้าตรงไหนมีความจำเป็นมากทุ่มให้เลยเที่ยวเอาขาดอะไรอะไรบอกมาบอกมาบอกเท่าไรให้เท่านั้นให้เท่านั้นให้เลยเป็นล้ลานนั่งครู่เดียวเอาไปสองล้านสามล้านก็มีนั่นอย่างนั้นล่ละถ้าถึงใจเอาจริงเราถ้าไม่ถึงใจสตางหนึ่งก็ไม่ให ไม่ทอดทิ้งถิ่นกันดาลโรงพยาบาลบางแห่งอยู่ในถิ่นธุรกันดาลเป็นที่ลำบากหลายสิ่งหลายประการท่านก็ไม่ลืมที่จะไปเยี่ยมเยียนและอนุเคราะห์ดังตัวอย่างนี้วันนี้ก็จะไปโรงพยาบาลภูหลวง อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยไปดูอีกทุกห้องห้องไหนมีความจําเป็นอะไรก็ช่วยเหลือกันไปเพราะเป็นโรงพยาบาลที่คับแคบติดตันอั้นตู้ลําบากลําบนไปก็เอาข้าวเอาของไปเต็มรถเต็มรถเทพว่เทปั่วไปคือถ้าตรงไหนที่อยู่ท่ามกลางของอู่ข้าวอู่น้ําเราก็ไม่ค่อยสนใจนักนะ ถึงจะเป็นโรงพยาบาลเล็กก็ตามแต่อยู่ท่ามกลางของอู่ข้าวอู่น้ําไม่ค่อยอดอยากขาดแคลนอะไรมากนักเราก็ไม่ช่วยอย่างอื่นพวกข้าวพวกอาหารการกินไม่ค่อยช่วยมากช่วยแต่เครื่องมือแพทย์ไปท่าที่ไหนขาดแคลนอย่างนั้นเราช่วยทุกด้านเลยเครื่องมือแพทย์ก็ช่วยอาหารการกินก็ช่วยเช่น อย่างผู้หลวงนี้ไม่มีข้าวผู้เรือโรงพยาบาลผู้เรือจังหวัดเลยก็ยิ่งอยู่ในภูเขาด้วยซ้ำไม่มีข้าวโรงพยาบาลนายุงจังหวัดอุดรธานีไม่มีข้าวทางโรงพยาบาลคำตะกรา้าจังหวัดสกลนครก็ไม่มีน้ำท่วมคำตะกร้าไม่ได้ทํานากันน้าท่วมเหล่านี้เราไปทั้งนั้นแหละ นี่ก็ยังโรงพยาบาลสองดาวจังหวัดสกลนคร น, นี้อีกนี่เริ่มแล้วทางสองดาวนี้เริ่มแล้วอยู่ในหุบเขาไปหาที่หุบเขาหุบเขาที่จำเป็นจำเป็นแม้โรงพยาบาลที่อยู่ไกลออกไปมากๆท่านก็ไม่เคยลืมหรือทอดทิ้งเมื่อโอกาสอำนวยให้เมื่อใดท่านจะรีบไปเยี่ยมทันทีดังนี้ วันนี้เราก็จะไปนะ่ะเอาของไปโรงพยาบาลคำเชีและดอนตาลจังหวัดมุกดาหารไกลนะวันนี้สงสารมันอยู่ด้วยกันสองโรงจึงเอาไปไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าเต็มรถนะหากไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะแบ่งเป็นสองโรงอยู่ใกล้กันถ้าไปโรงเดียวก็เต็มรถเทพุ้ยเลยได้มาก เอาไปสองโรงก็ต้องแบ่งครึ่งแต่รถนั้นเต็มรถวันนี้จะไปสองโรงมันไกลสามชั่วโมงกว่ากว่าจะถึงไปส่งแล้วกลับขนาดนั้นค่ำพอดีพอดี มีโอกาสฟังเทศของท่านอยู่ประจำจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าท่านมีความห่วงใยสงสารคนเจ็บป่วยมากท่านสอนเสมอว่ามนุษย์เราจะยากดีมีจนบุญหนักสักใหญ่หรืออาภัพวาสนาอย่างไรแต่กระวนเป็นเพื่อนร่วมทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมและกรรมย่อมจำแนกแจกแจงสัตว์ให้มีความพระนีดเเลวสามต่างกันแล้วเกิดไปตามวิบากแห่งกรรมของตนของตนดังนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทกันแต่ควรช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเพราะหากมนุษย์ไม่ช่วยสงเคราะห์มนุษย์ด้วยกันแล้ว ใครจะช่วยเรื่องความเจ็บป่วยนั้นถ้าใครโดนเข้าใครก็ทุกข์ทั้งนั้นเจ็บไปแค่หนึ่งแต่ครอบครัวพี่น้องแม่ก็ป่วยทางใจป่วยด้วยความห่วงใยอีกเท่าไหร่จึงควรเห็นใจกัน ต้องมีเมตตาธรรมเมื่อมีโอกาสอันควรท่านจะแนะเตือนด้วยความเมตตาแก่บรรดาแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเสมอๆดังตัวอย่างหนึ่งท่านแสดงธรรมแก่คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข มีท่านรัฐมนตรีเป็นประธานดังนี้วันนี้ได้พูดถึงเรื่องโรงพยาบาลโรงพยาบาลกับหมอเป็นของสำคัญอยู่มากหมอนั้นสำคัญอยู่ที่นอกจากเรียนหลักวิชาแห่งหมอมาแล้วนั้นเป็นทางเดินกลางๆางแต่อัธยาศัยใจคอ และจิตวิทยาของหมอที่จะปฏิบัติต่อคนไข้นั้นเป็นสิ่งลึกลับแต่จำต้องนำมาใช้สำหรับหมอเวลาคนไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนวิ่งเข้ามาหาหมอกริยามารยาทที่นิ่มนวลอ่อนหวานที่เป็นพื้นมาจากความเมตตาของหมอนั้นต้องออกแสดงก่อนอื่นก่อนยาที่จะเข้าถึงตัวคนไข้ ความเอาอกเอาใจให้ความอบอุ่นแก่คนไข้นั้นเป็นยาขนานแรกซึ่งจะต้องเข้าถึงคนไข้ก่อนอื่นจากนั้นก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่ด้วยความเมตตาของหมอเพราะคำว่าหมอนี้โลกทั้งโลกเขายอมรับยอมรับให้ศักดิ์ศรีดีงามยอมรับนับถือให้ความเคารพทุกสิ่งทุกอย่าง ไว้วางใจกับหมอเพราะหมอนั้นถือกันว่าเป็นแบบพิมพ์เป็นศักดิ์ศรีดีงามของชาติไทยหรือของโลกโลกเขาจึงยอมรับเมื่อเราก้าวเข้ามาสู่ความเป็นหมอเริ่มตั้งแต่เรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ก็เริ่มมีเกียรติแล้วโลกยอมรับนับถือเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเป็นหมอออกมา โลกยิ่งยอมรับมากขึ้นนับถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นการต้อนรับโลกที่นับถือนั้นเราจึงต้อนรับด้วยความเมตตาเป็นพื้นฐานของหมอหมอต้องมีความเมตตาเป็นพื้นฐานสำหรับเงินทองข้าวของสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเมตตาที่มีต่อคนไข้ทั้งหลาย ที่เขามาพึ่งพาอาศัยเขามาขอความอบอุ่นจากเรานั้นเป็นเรื่องที่หมอจะต้องปฏิบัติและพยาบาลจะต้องปฏิบัติให้ถึงชาวบ้านทุกๆรายไปนี่เป็นหลักสําคัญโรงพยาบาลจึงเป็นโรงชุบชีวิตของสัตว์โลกทั้งสองอย่างคือโรงพยาบาลหมอ เกี่ยวกับโรคทางร่างกายหนึ่งโรงพยาบาลหรือสถาบันอันใหญ่หลวงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหนึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความจำเป็นอย่างน้อยเสมอกันมากกว่านั้นทางด้านจิตใจคือทมเป็นของสำคัญมาก โรงพยาบาลที่ท่านเมตานำพวกอาหารไปสงเคราะห์ในแต่ละวันแต่ละวันนั้นโดยมากแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่นั้นที่นั้นจะเคารพท่านถือท่านเป็นเสมือนพ่อแม่เวลาท่านนำของไปแจกแต่ละครั้งแต่ละครั้งหลังจากได้ซักถามว่ามีสิ่งไรขาดหรือไม่แล้วในระยะหลังนี้ บางครั้งท่านจะถือโอกาสสอนเตือนหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่เพราะท่านก็ถือเหมือนลูกเหมือนหลานของท่านเช่นกันดังตัวอย่างที่ท่านนำมาเล่าแบบคำขันให้ฟังดังนี้คนไข้เข้ามาเขาฝากเป็นฝากตาย ฝากทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวเย่าเรือนเขาฝากมาหาหมอหายาหาพยาบาลหมดจะว่างไงเขามาหาแล้วหน้าบึ้งใส่เขามีอย่างเหรอแบบนี้ก็มีแต่แบบหน้าหมาไม่ใช่หน้าคนเราว่างั้นก็บอกชัดๆอย่างนี้แล้วเขาก็อดหัวเราะไม่ได้เขาหัวเราะเราอย่าเห็นว่าเราเป็นถึงหมอ คนไข้เป็นทุกขตะเข็นใจหรือเป็นหมาตัวหนึ่งเข้ามานี้ด่อมด้อมเข้ามาในโรงพยาบาลไม่เป็นเช่นนั้นนะคนไข้มาแต่ละคนแต่ละคนพระเจ้าแผ่นดินแห่มานะพระเจ้าแผ่นดินไม่แห่มายังไงก็เงินเต็มกระเป๋าตราพระเจ้าแผ่นดินตีตรามาเห็นไหมละ่ะคนไข้เขามีคุณค่าต่อหมอขนาดไหน เราต้องคิดบ้างสิคนไข้คนหนึ่งกับหมอเป็นอัญญามันยังอาศัยซึ่งกันและกันถ้าไม่มีคนไข้หมอก็หมดความหมายโรงพยาบาลล้มหมดที่ตั้งกันอยู่อาศัยกันอยู่ทุกวันนี้พอเป็นไปได้ทั้งฝ่ายหมอฝ่ายคนไข้ก็เพราะต่างคนต่างอัญญามันยังซึ่งกันและกันอย่าเห็นว่าทางไหนสูงกว่ากัน ถ้าอัญญามันยางแล้วอยู่ด้วยการได้มนุษย์เราเพราะเรื่องคนไข้กับหมอแยกกันไม่ออกเหมือนพ่อแม่กับลูกเราจะว่าเป็นเทวดากับหมาได้ยังไงเราก็บอกถึงว่าเงินในกระเป๋าเขามาแต่ละคนพระเจ้าแผ่นดินแห่มานะว่างันคนหนึ่งกระเป๋าเป่งๆมาเขาให้ด้วยน้ำใจมีเยอะนะ เขาให้ค่าอยู่ค่ายาเป็นธรรมดาเขาให้ด้วยน้ำใจของหมอน้ำใจของพยาบาลที่มีคุณแก่คนไข้ของเขาแล้วเขาตั้งใจให้ด้วยน้ำใจมากกว่านั้นอีกนะมีเยอะนะ